สวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีค่ะก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ฟังดุกท่านด้วยนะคะที่กรุณาสละเวลานะคะเพื่อรับฟังเรื่องราวต่างๆในช่องพระเจอผีบน YouTube แล้วก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยกับการกดติดตามข่าวสารต่างๆบน Facebook Fanpage พระเจอผีนะคะ เรื่องแรกที่บีจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับบีเมื่อเร็วๆนี้เองค่ะซึ่งคุณผู้ฟังฟังแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณช่วยกันตัดสินด้วยในเหตุที่อาจจะเป็นไปได้เรื่องเกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวค่ะ เรื่องของเรื่องนะคะคือ B เนี่ยเดินทางไปกับเพื่อนที่จังหวัดเพชรบูรณ์คือไปที่เขาค้อเนี่ยค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ไปเที่ยวกันสนุกสนานหลังจากนั้นค่ะประมาณวันที่22จะเดินทางจากจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยไปที่จังหวัดขอนแก่น ก็ต้องผ่านที่เขาเรียกว่าเส้นเส้นทางที่มันเป็นเส้นทางข้ามภูเขาอะนะฮะจากจังหวัดเพชรบูรณ์ไปที่อำเภอชุมแพแล้วก็เข้าที่ตัวจังหวัดขอนแก่นเพราะว่ามันจะต้องผ่านที่อุทยานแห่งชาติน้ําหนาวเนี่ยซึ่งเป็นเส้นทางที่ลัดที่สุดเส้นทางนี้ค่ะช่วงเวลาประมาณสัก4ี่มงเย็น5้ามงเย็นนี่คือเรียกว่ามืดแล้วเพราะว่ามันเป็นป่ามันเป็นป่าแล้วมันก็ทึบด้วยยิ่งเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวด้วย ถ้าโชคดีไม่เจอฝนนะคะแต่ว่าวันนั้นโชคไม่ดีหน่อยค่ะก็ขี่มอเตอร์ไซค์กันมานี่แหละค่ะเจอฝนพอดี ระหว่างที่จะเจอฝนเนี่ยมันก็จะผ่านสะพานที่มันเป็นสะพานที่รถทัวร์ตกลงไปเสียชีวิตประมาณ29สศพซึ่งตอนนั้นบีเองไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่เห็นเขียนว่าสะพานห้วยตองนะคะเลยสะพานห้วยตองมาค่ะมันก็จะเป็นหน้าผาแต่ว่ามันจะรกหน่อยหนึ่งเป็นทางโค้งก็จอดรถลงถ่ายรงถ่ายรูปเวลาประมาณสัก5โมงเย็นเห็นจะได้นะคะแต่ว่ามันก็เริ่มมืดแล้วล่ะก็เลยขี่รถต่อไป จนถึงหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวมันก็จะมีศาลาอยู่ข้างทางสองข้างทางเป็นป่าป่าแบบมืดมากฝนก็เริ่มลงเม็ดละก็เลยคุยกับเพื่อนบอกว่าตัดสินใจจะพักหลบฝนกันไหมก็เลยตัดสินใจว่าหลบค่ะก็เข้าไปจอดรถแล้วก็ไปหลบฝนในศาลาซึ่งมันเป็นศาลาทรงแดเหลี่ยมมันจะมันจะอยู่ติดกับป่าแล้วก็มีต้นไม้อยู่ข้างๆศาล า, าเป็นต้นไม้ใหญ่นะคะ หลังจากนั้นฝนก็เทลงมาหาใหญ่คือลงมาหนักมากและสักพักหนึ่งมีผู้ชายสองคนค่ะเขาก็เป็นพวกไบเกอร์เหมือนกันขี่มอเมตอร์ไซค์มาจากภูกระดึงมาแวะพักที่ศาลานี้ด้วยกัน นะคะก็พูดคุยกันสเปเฮระมันมีอยู่คํานึงที่บีพูดขึ้นมาบอกว่าบีเองเนี่ยไม่ได้กลัวคนเพราะว่าถ้าหากว่าปล้นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ยังสามารถต่อรองกันได้คือจะเอาอะไรเอาไปเลยแต่ว่าอย่าทํร้ายร่างกายหรือว่าอย่าฆ่าแต่สิ่งที่กลัวที่สุดคือผีนะคะหลังจากพูดแบบนี้เสร็จแล้วก็หัวเราะกาันละค่ะ4ี่คนอยู่ในศาลาหลังจากนั้นไม่นานประมาณ2นาที3นาทีผู้ชาย2คนที่เป็นแขกที่มาหลบฝนใหม่เนี่ย ก็แว้นมอเตอร์ไซค์ออกไปขึ้นไปทางเพชรบูร์เพราะว่าเขาจะกลับจังหวัดพิจิตรกันแล้วบีกับเพื่อนก็เลยมองหน้ากันว่าเออฝนมันซาแล้วกลับแล้วกันเดี๋ยวมันจะมืดกว่านี้เพราะว่าช่วงเวลานั้นประมาณ6โมงกว่าแล้วนะคะที่หลบฝนอยู่ตรงนั้นระหว่างนั้นค่ะกำลังจะเอากระเป๋าติดรถกำลังจะรูดไอ้ทัวตัวกันฝนของกระเป๋าข้างรถมอเตอร์ไซค์นี่แหละนะคะข้างรถ Big บเนี่ยก็เลยได้ยินเสียง มันเป็นลักษณะเสียงคุณผู้ฟังลองคิดตามนะเสียงลักษณะของมันคือเหมือนกับคนที่ไปหาอะไรอยู่ในป่าแล้วถูกเพื่อนทิ้งเพื่อนทิ้งแล้วหลอกว่าเฮ้ย <c oughs> ผีหลอกนะช้างมานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนก็วิ่งหนีแล้วด้วยความตกใจมันก็วิ่งฝ่าป่าออกมาแบบไม่คิดชีวิตมันเป็นลักษณะเสียงแบบนั้นจริงนะคือเสียงมาันนาังแบบคั ก, ก, ก, ก, กออกมาเลยคือเสียงดังมากคุณผู้ฟังบีก็แบบหลบ ตอนแรกหลบเลยนะคือหลบก้มตัวลงมาที่รถมอเตอร์ไซค์หลบนึกว่าช้างตอนแรกนี่คือนึกว่าช้างหรือว่านึกว่าเป็นพวกสัตว์ป่ามันวิ่งออกมาจะทําลายหรือเปล่าหลังจากที่ได้ยินเสียงนั้นก็ทําการหลบไปละมันไม่มีก็เลยมองเข้าไปในป่าเฮ้ยต้นไม้ก็ไม่ขยับแต่ในยะหนึ่งคือมันเป็นเหมือนไม้มันร่วงลงมาจากข้างบนะ่ะต้นไม้ใหญ่ๆห่อะคือมันเป็นเสียงเหมือนมันไม่ชัดเจนอะว่ามันมาจากในป่าหรือว่ามันล่วงลงมาจากข้างบนนะคะ สักพักหนึ่งมันได้ยินเสียงเป็นเสียงเหมือนหมาเหมือนหมามันขู่มันลักษณะของอาการขู่จะกัดขู่จะกัดคนแบบฮ้ออใส่ประมาณ 3- าสี่รอบแต่เป็นเสียงถ้าหากว่าเป็นเสียงคนทำเนี่ยคือมันจะเป็นเสียงเหมือนผู้ชายเป็นเสียงผู้ชายทําเสียงขู่แบบคำรามใส่ดังมาจากตรงต้นไม้น ะ, ะหลังจากนั้นก็เลยมองหน้ากันกับเพื่อนเพื่อนก็เลยบอกว่าเสียงฟ้าคำรามไปกลับรถรีบออกไปกันเถอะ บีก็เลยขับรถกลับไปหลังจากนั้นก็ขับรถไปเรื่อยๆแล้วฝนก็เริ่มตกลงมาหนักขึ้นหนักขึ้นจนมองทางไม่เห็นคุณผู้ฟังโชคยังดีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะเพราะว่ามันตกมาแบบมืดฟ้ามัวดินมากบีเก็บความรู้สึกนี้ไว้ไม่คุยกันตลอดทางในระหว่างที่ขี่รถมาเนี่ยแหละค่ะจนเข้าเขตอำเภอคอนสารจังหวัดชายภูมิค่ะก็เลยถามเพื่อนบอกว่าเมื่อกี้คิดว่ามันคืออะไร เพื่อนก็เลยบอกว่าคงจะคิดอย่างอื่นไปไม่ได้แล้วล่ะนอกจากผีเพราะถ้าคิดว่าเป็นคนเรานั่งอยู่ตรงนั้นเป็นชั่วโมงกว่าแล้วนะมันไม่มีอะไรเลยเรามาตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกดินแล้วใครมันจะมานั่งเล่นนอนเล่นอยู่ตรงนั้นแล้วเสียงที่ได้ยินเสียงเหมือนวิ่งออกมาจากป่าเนี่ยบางทีมันก็เป็นเสียงเหมือนล่วงลงมาจากข้างบนต้นไม้แต่มันไม่มีต้นไม้ใบหญ้าขยับเลยคือมันไม่มีอะไรขยับเลย และอีกอย่างหนึ่งคือเสียงคำรามเสียงคำรามเหมือนเสียงขู่เหมือนเสียงหมา ม, มันขู่ซึ่งมันเป็นเสียงถ้าเป็นสัตว์เนี่มันจะต้องตัวใหญ่แน่มันจะต้องตัวใหญ่กว่าหมาตัวใหญ่กว่าหมีเพราะว่าเสียงมันคำรามเหมือนเสียงฟ้าร้องแต่มันดังอยู่แค่ตรงต้นไม้นั้นและถ้าคิดว่าเป็นเสียงสัตว์มันกัดกันมันห่อกกันมันคำรามก็ต้องย้อนกลับไปอีกย้อนกลับไปตรงที่ว่าทําไมต้นไม้ไม่ขยับ ะะและนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่บีเจอมาค่ะเจอมาสองคนเลยถ้าหากว่าผู้ชายที่ไปมาจากภูกระดึงเนี่ยช้ากว่านี้อีกนิดหนึ่งน่าจะได้เจอด้วยกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังช่วยคิดหน่อยละกันว่ามันคืออะไรน ะ, ะอาจจะไม่ได้น่ากลัวนะสำหรับคนที่ฟังแต่ว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นคือมันมืดและอยู่กลางป่าด้วยสองคนค่ะ เสียงวิ่งออกมาจากป่าหรือเสียงต้นไม้มันร่วงลงมาแต่มันไม่มีอะไรขยับพร้อมกับเสียงคำรามขู่นะคะที่มันดังออกมาจากตรงต้นไม้ห่างจากตัวบีแค่ประมาณไม่ถึง5เมตรเองแต่มันมองไปแล้วมันไม่เห็นอะไรมันไม่มีอะไรเลยนะคะมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะสําหรับคนที่อยู่ในเหตุการณ์และนี่ก็เป็นเรื่องแรกนะคะที่เอามาเปิดประเด็นให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะ อีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องสั้นๆของคุณผู้ฟังทางบ้านค่ะคุณโอส่งเข้ามาคุณโอบอกว่าย้อนไปตอนที่โออายุได้ 17-78 ปีตอนนี้โออายุ31ปีแล้วนะคะโดยที่เราเป็นเด็กต่างจังหวัดค่ะช่วงปิดเทอมใหญ่เนี่ยก็จะมีเวลาว่างเยอะพอสมควรก็เลยอยากมีรายได้พิเศษบ้างเพื่อที่จะได้เลี้ยงตัวเองซื้อสิ่งของที่อยากจะได้ มีคนชวนค่ะว่าสนใจไปร้อยพวงมาลัยที่สวนมะลิด้วยกันไหมคุณโอก็ชอบเรื่องพวกของประดิษฐ์เย็บปักถักร้อยอยู่แล้วนะคะก็เลยตอบตกลงว่าสนใจจะไปทำงานด้วยแต่ต้องไปกินอยู่กับเขาที่สวนมะลิเลยนะ ซึ่งอยู่ในชนบทเนี่ยก็ไม่ได้ห่างไกลกันจากตัวเมืองมากนะคะเจ้าของสวนเขาเป็นผู้หญิงและก็มีอายุแล้วซึ่งใจดีมากบ้านที่คุณโอไปอยู่เนี่ยมันเป็นบ้านไม้สองชั้นใต้ถุนสูงนะคะเขาก็เลยแบ่งห้องนอนให้คุณโอนี่นอนคนเดียวห้องหนึ่งและอีกห้องหนึ่งก็มีพี่ผู้หญิงนอนด้วยกัน คุณโอทํางานที่นี่ประมาณอาทิตย์กว่าๆค่ะซึ่งโดยปกติแล้วตอนกลางคืนก็จะกราบพระก่อนนอนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกคืนแต่ว่าวันที่ได้เจอกับสิ่งที่ไม่เคยเจอมาก่อนมันเป็นช่วงกลางวันนะซึ่งเป็นเวลาพักเที่ยงคุณโอเนี่ยจะขึ้นไปนอนบนบ้านขึ้นไปนอนสักพักหนึ่งก็เคลิ้มหลับอาการเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นนะคะนอนอยู่ดีๆรู้สึกว่าขยับตัวไม่ได้มีเพียงแค่ ตาเท่านั้นที่มันลืมได้แล้วก็กระพริบได้กวาดสายตาไปมาได้ก็มองหาคนให้ช่วยและะ้วค่ะซึ่งคุณโอนอนอยู่ในท่างายนะคะตาก็มองไปมองมาแต่ว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงแก่ผมสีขาวสั้นเหมือนรองทรงผมผู้ชายนั่งพับเพียบมือค้าพื้นใส่เสื้อคอกระเช้าคือนั่งอยู่ข้างที่คุณโอนอนเนี่ยนะคะ คุณโอก็นอนมองดูและค่ะทำอะไรไม่ได้พูดไม่ได้กระพริบตาได้อย่างเดียวแล้วก็มองได้อย่างเดียวเนะะีค่ะก็ในความรู้สึกรู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่คนแน่นอนแต่ว่าแกไม่ได้มาหลอกมาหลอนอะไรนะรู้แต่ว่าเหมือนกับ มาดีนะคะคือดูท่าทางเป็นคนแก่ที่ใจดีก็สงสัยว่าเอ๊ะใครมาแอบตอนกลางวันแน่เลยพอท่านมองดูสักพักหนึ่งคุณโอ๋ก็หลับตาก็กลัวอยู่ไม่น้อยพอหลับตาอีกทีพอลืมตาอีกทีนึงทุกอย่างก็เข้าสู่ความปกติคือผู้หญิงคนนั้นเนี่ยหายไปแล้วทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยลืมเรื่องนี้เลยแต่ว่าโชคดีที่เจอเป็นเจ้าที่ที่ไม่ดุหรือว่าน่ากลัวจนอยู่ต่อไม่ได้นะคะหลังจากนั้นก็ไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนั้นอีกเลยนะคะ คุณผู้ฟังค่ะเรื่องราวลักษณะแบบนี้เนี่ยบีเคยได้ยินได้ฟังมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะซึ่งคุณผู้ฟังท่านใดที่มีเรื่องราวแบบนี้ประสบการณ์แบบนี้อย่าลืมนะคะส่งเข้ามาให้บีเล่าให้กับคุณผู้ฟังท่านอื่นๆได้รับฟังกันนะคะทีนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะจากคุณธนวัตรส่งเข้ามาทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กพระเจอผีเหมือนกันเป็นเรื่องตู้รีผีเสี่ยงนะคะเป็นเรื่องของผีพลางตาพ่อ ย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี2523คุณพ่อของพี่ธนวัตรเนี่ยตอนนั้นเป็นช่างไม้ หลังจากเลิกงานก็เดินกลับบ้านค่ะก็โดนรถมอเตอร์ไซค์ชนจนต้องเข้าโรงพยาบาลอาการสาหัสแต่ว่าไม่มีบาดแผลนะมีเพียงแค่เลือดออกทางหูแล้วก็ทางจมูกหมอแล้วก็พยาบาลต่างช่วยกันปั๊มหัวใจจนพ่อเนี่ยเริ่มหายใจส่วนพยาบาลจะให้น้ำเกลือให้เลือดคนไข้แต่ฉีดยายังไงอะ่ะเข็มก็แทงไม่เข้าจนหมอเรียกมาถามญาติคนไข้มีของรักษาหรือเปล่าก็เลยปรึกษากันว่า จะให้หาวิธีถอนวิชาซะก่อนไม่งั้นคนไข้นิช้าในตายแน่จนพี่ชายค่ะต้องทำขันห้าขอขมาต่อครูบาอาจารย์ของพ่อพร้อมกับกระซิบข้างหูพ่อบอกว่าขอให้หมอฉีดยารักษาพ่อก่อนนะพ่อเหมือนรับรู้นะคะคุณผู้ฟังกระพริบตาส3าทีหมอก็ฉีดยาได้ทีนี้ย้อนไปสมัยยังหนุ่มพ่อเนี่ยไปฝังเข็มอาคมเข้าตัวร้อยเล่มเลยนะ คุณพ่อเป็นหลานหลวงปู่ขาวอนารโยค่ะเป็นทั้งนายห้อยต้นควายไปขายแล้วก็นํากล่องแอบนะคะหรือที่ใ ส, ส่ยาสูบเนี่ยลงมาขายที่ภาคกลางเพราะฉะนั้นนักเลงสมัยนั้นมันก็ต้องมีดีในตัวเพื่อคุ้มภัยจากการป้นล่ะค่ะคุณพ่อบอกว่าบางทีหลวงปู่ขาวก็แอบลักต้นวัวต้อนควายของชาวบ้านมาสมทบเหมือนกันนะการที่ไปกับคารวานนายฮ้อยนานๆเข้าจนวันนึงหลวงปู่ขาวกลับมาบ้านเงียบๆ ได้ยินเมียคุยกันกับชู้เกือบจะฆ่าเมียแล้วก็ชู้แต่ว่าหลวงปู่ท่านระงับโทสะและคิดว่าคงเป็นกรรมเก่าจนต้องตัดใจหนีออกไปบวชที่วัดถ้ำกองเพนจนมรณภาพส่วนพ่อนะคะหลังจากมีครอบครัวก็เลิกเป็นนักเลงไปเลยพ่อบอกว่านักเลงสมัยเก่านะมันมีการดวนมีดแบบตัวต่อตัวกันคนละเล่มถ้าเหนียวจริงเหนียวเหมือนกันจะโยนมีดทิ้ง แล้วจะงัดต่อไม่ไผ่นี่ฟาดกันจนอีกฝ่ายยกมือยอมแพ้ก็จะเลิกรากันไปไม่เหมือนนักเลงสมัยนี้ละค่ะเล่นรุมกันเป็นสิบขายกมือไหว้ขอชีวิตยังรุมฆ่าเขาจนตายย้อนกลับมาทางโรงพยาบาลที่พ่อโดนรถชนทีนี้พ่ออาการเริ่มดีขึ้นละหมอก็ให้คนขไข้กลับบ้านได้แต่ว่าสติยังไม่เหมือนเดิมนะก็มักจะเห็น ร, รมที่ตัวเองเคยสร้างมาจำทิศเหนือเป็นทิศใต้ทิศ ต, ตะวันออกเป็นทิศตะวันตก มีอยู่วันหนึ่งค่ะพ่อบอกว่าจะเอามีดไปชุบใหม่มันไม่คมมีดพระถ้าใช้ไปนานๆเ น, น, นี่ยคมมันจะหายไปต้องเอาไปหล่อมแล้วก็ตีใหม่นะคะแต่แกจำทิศทางไม่ได้ค่ะสุดท้ายชาวบ้านต้องพามาส่งเย็นวันหนึ่งพ่อเนี่ยถือกะยังกะยังคือเป็นเขาเรียกเป็นภาษาอีสานกะยังบางทีก็เรียกเป็นกระบุงก็ได้แต่ว่ามันจะเล็กกว่านะคะกับเสียมไปขวหอย ก็คือเป็นลักษณะของการขุดหอยนี่แหละแถวทุ่งนาท้ายหมู่บ้านมันจะมีบ่อน้ําเป็นที่ชุมนุมของหนุ่มสาวสมัยนั้นใกล้ๆ ก, กันก็จะมีคุณธนวัฒน์เนี่ยซึ่งเป็นเด็กนียคะก็จะไปเตะตะกร้ออยู่ตรงนั้นพอมันมืดพล้อเพเล่นตะกร้อกันพอแล้วก็จะมาอาบน้ํากันพี่ชายก็ถามว่าเห็นพ่อไหมมืดแล้วพ่อยังไม่กลับเลยเจอพ่อไหมมืดแล้วเดี๋ยวแกหลงทางก็ช่วงเล่นตะกร้อกันอยู่ข้างบ่อน้ําเนี่ยทุกคนบอกว่า ไม่เห็นมีใครรู้ว่าแกหายตัวไปแล้วก็ไม่เห็นว่าแกจะอยู่ตรงนั้นไม่รู้ว่าแกไปตอนไหนเหมือนกันทีนี้ก็เลยต้องเรียกญาติพี่น้องค่ะออกตามหากันวุ่นวายเลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านไปตีคอหรือว่าตีเกระนี่แหละช่วยกันออกตามหาสมัยนั้นเนี่ยไม่มีไฟฟ้าใช้นะในหมู่บ้านนะแม้กระทั่งแบตเตอรี่ที่เอาไว้ส่องกบส่องเขียดเนี่ยก็ยังไม่มีเหมือนกัน บ้านไหนที่มีตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยถือว่าบ้านหลังนั้นรวยนะคะใครมีตะเกียงเจ้าพายุก็แบ่งกันเป็นกลุ่มกลุ่มละสี่ห้าคนออกตามหาจนสว่างชาวบ้านบอกตีสี่แล้วขอนอนเอาแรงก่อนพรุ่งนี้ค่อยออกตามหากันใหม่มีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะที่พี่ชายกู่เรียกบอกอีพ่ออีพ่อเจ้าอยู่ไซอีพ่อแล้วก็มีเสียงตอบรับกลับมาบอกเื้เรียกอีกก็ขานรับเื้เท่านั้นละโกยกันแนบมาเล่าให้ชาวบ้านฟัง วนรอบต้นไม้ก็ไม่มีใครเห็นแล้วใครละ่ะถ้าไม่ใช่ผีหลอกพอเช้ามานะคะก็เลยเดินไปชี้ต้นไม้ต้น น, นี้ให้ชาวบ้านดูบอกว่าต้นนี้แหละเมื่อคือนเนี่ยที่ผีหลอกบางคนก็บอกว่าเป็นเสียงอึ่งอ่างหรือเปล่าฝนไม่ตกมันจะไปร้องทาไมหน้านี้ละ่ะหากันอยู่สามอ่าสองวันจนวันที่สมช่วงบ่ายเด็กเลี้ยงควายมาบอกว่าเห็นตาแก่ไม่รู้ว่าเป็นใครนั่งหอบแดดอยู่ใต้ต้นไม้ที่ทุ่งสำล ทุ่งสำเลนี้อยู่ติดกับบึงใหญ่หรือว่าบ่อใหญ่ที่คนทถวนั้นเรียกพอข้ามฟากมาค่ะก็จะเป็นหมู่บ้านของพี่ธนวัตรนะคะพวกเด็กเลี้ยงควายบอกว่าถ้าทางคุณตาคนนี้คงจะเหนื่อยพอสมควรใช่คนที่หายไปไหมเท่านั้นแหละค่ะก็รีบไปกันเลยไปเจอตัวแกนั่งหอบแดดอยู่ใต้อ่าใต้ ใต้ไม้ทุ่งสำเละใต้ต้นไม้ที่ทุ่งสำเลจริงๆซึ่งปัจจุบันแถวนั้นเป็นแทงค์น้ำประปาประจำหมู่บ้านของสองหมู่บ้านนี้ไปแล้วนะคะชาวบ้านเห็นต่างก็โหรองด้วยความดีใจถามด้วยเซงแซ่กันไปหมดเลยบอกพ่อตู้พ่อตู้คือพ่อใหญ่มานั่งทำไมอยู่ตรงนี้หาทั้งคืนเลยหลายวันแล้วไปเที่ยวที่ไหนมาแล้วเรียกเนี่ยได้ยินไหมคุณพ่อของคุณธนวัตนะคะก็เลยตอบมาบอกว่าได้ยินอยู่ พวกซู่ยางกายกูวางขาเดียวสุ่ขึตาเซื้อแทะกูสีห้องเขาก็ บ, บอกว่าเจ้าย้าปากเด้อเพรไงเขาสิมาจับเจ้าชาวบ้านถามแล้วเจ้าบ่หิวเขาหิวน้ํำบ่พ่อก็เลยตอบว่ามีอีนั่งสองคนมันจีป่าให้กูกินกูบ่หิวดอกเขานั่นอยากตแตงแต่น้ํานั่นละ่ะสุ่อานน้ำไม่ให้กูกินแน่ชาวบ้านคนนึงบอกว่าให้แกกินน้ําอย่าเพิ่งให้แกกินครั้งเดียว ะะให้แกกินหลายๆครั้งหน่อยเดี๋ยวเขาจะสำลักน้ำตายก็ให้น้ำทีละหยดทีละหยดก่อนจนร่างกายแกปรับตัวได้นะคะก็ให้กินเยอะๆไปคือมันจะเป็นอาการของคนที่แบบขาดน้ำนะคะจะให้กินปุ๊บปั๊บทีเดียวไม่ได้เพราะว่ามันจะสำลักทีนี้พอแกจิบน้ำสักพักหนึ่งก็เอารถรถเขาเรียกว่ารถเข็นปะรถเข็นดันน้ำแห่แก้จากหมู่บ้านนึงมาอีกหมู่บ้านนึงซึ่งอยู่ห่างกันประมาณโลกว่า ซึ่งปัจจุบันคนหมู่บ้านทั้งสองคือบ้านหินงมและก็บ้านโนนสร้างไพร ย, ยังสนิทสนมกลมเกลียวกันอยู่จนถึงทุกวันนี้แล้วก็จเจริญขึ้นตามยุคสมัยจนถึงทุกวันนี้นะคะแม้ว่าเป็นเรื่องราวที่จะผ่านมาหลายปีคนรุ่นเก่าต่างลงความเห็นค่ะว่าผีบ่อหรือผีบึงใหญ่เนี่ยเสียงพ่อตู้ลี พ่อผมหรือว่าพรางตาพวกผมด้วยสาเหตุอะไรยังไม่ทราบคุณบีแต่ว่าสาบานว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเมื่อประมาณปี2523ครับเรื่องก็มีประมาณนี้จากผมวัดขอบคุณพี่ธนวัฒน์ด้วยนะคะสําหรับเรื่องเล่าเรื่องนี้ค่ะเรื่องผีซ่อนพ่อตู้หลีนะคะพ่อตู้คือพ่อใหญ่หลีนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่คุณผู้ฟังทางบ้านส่งเข้ามาให้เราได้เล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะ ทีนี้มาทิ้งทายกันด้วยเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังเรื่องที่คุณนกส่งเข้ามาเป็นเรื่องสั้นๆนะคะคุณนกบอกว่าติดตามฟังมานานแล้วล่ะแต่อาจจะนิสัยไม่ดีสักหน่อยหนึ่งที่ไม่ค่อยได้กดไลค์กดแชร์เท่าไหร่เพราะว่ามักจะนอนฟังตอนนอนก็จะนอนฟังยาวไปเลยวันนี้มีเรื่องมาฝากนะคะอยากจะเล่าประสบการณ์ที่เจอสิ่งลี้ลับสมัยตอนที่อยู่ป .5 ป .6 ย้อนกลับไป20ิกว่าปีที่แล้วเกิดที่โรงเรียนละแวกท่าพระค่ะ ตอนนั้นคุณนกกับเพื่อนจะเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเดินนําหน้าเข้าไปก่อนแล้วทีนี้ด้วยความคึกขนองในตอนเด็กไอเราก็ชอบที่จะไปเคาะประตูห้องน้ำเล่นก็เดินเคาะไล่ไปทีละห้องเรื่อยๆเรื่อยๆไม่เว้นแม้กระทั่งห้องที่พี่ผู้หญิงคนนั้นเดินเข้าไปด้วยซึ่งเพื่อนที่เดินตามหลังมานั้นยังทักเลยว่าเฮ้ยครูเขาเข้าไปยังจะไปเคาะอีก เมื่อสังเกตดีๆน ะ, ะครคุณผู้ฟังที่ประตูก็พบว่าประตูมันแง้มอยู่ด้วยความสงสัยก็เลยผลักประตูเข้าไปปรากฏว่าไม่มีใครอยู่ในห้องน้ําเลยค่ะเท่านั้นแหละค่ะก็พากันกับเพื่อนนี่วิ่งหนีกันแบบไม่คิดชีวิตเลยทีเดียวจนทุกวันนี้ยังตอบคําถามไม่ได้ว่าผู้หญิงที่เข้าไปในห้องน้ําตอนนั้นคือใครถ้าเป็นครูก็ไม่น่าจะมาเข้าห้องน้ํานักเรียนแต่ตอนนั้นก็เป็นช่วงกลางวันอีกไม่น่าจะมีผู้ปกครองมาเพ่นพ่านในโรงเรียนด้วย ถ้าเห็นคนเดียวยังพอเข้าใจว่าตัวเองตาฝาดไปแน่แต่ที่ว่าเนี่ยคือเห็นกับเพื่อนสองคนก็เลยมั่นใจว่าตาไม่ได้ฝาดคนเดียวอย่างแน่นอนเรื่องน่ากลัวน่ากลัวที่โรงเรียนนี้ยังมีอีกหลายเรื่องนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องที่เป็นเสียงลือเสียงเล่าอ้างซะมากกว่ารวมถึงข่าวลือเรื่องที่เคยมีการเก็บศพของครูใหญ่คนเก่าอยู่ในโรงเรียนด้วย แต่ว่ากับตัวเองแล้วนี่ไม่เคยเจอเรื่องลี้ลับอะไรอีกที่ชัดเจนเท่ากับเหตุการณ์นี้ยังไงนั้นขอมาเล่าเพียงสั้นๆเท่านี้ก็แล้วกันนะคะคุณนกทิ้งท้ายบอกว่าตอนนั้นไม่ได้รู้สึกกลัวแต่หลอนมากทีเดียวและก็เข็ดขยดจนตายเลยละค่ะคือไม่กล้าเคาะประตูห้องน้ําเล่นอีกเลยขอบคุณคุณนกด้วยนะคะที่มาทิ้งปริศนาไว้ก่อนที่จะจากกันไปในคลิปนี้ทิ้งให้คุณผู้ฟังสงสัยด้วยว่าเอ๊ะคนที่เดินนําหน้าคุณนกเข้าไปในห้องน้ํา เขาคือใครทั้งๆ ท, ที่เห็นอยู่ว่าเข้าไปในห้องนี้แต่พอเปิดประตูเข้าไปดูแล้วไม่มีอะไรเลยหมดเวลาของบี่แล้วล่ะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังยังไงอยากจะให้กำลังใจช่องพระเจอผีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะกลับมาเจอกันในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ